พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่ส1อดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สมกราคม2557หมีชื่อเรื่องว่าหลวงปู่จามสอนหลานแอวขอให้ พวกเราคณะสัตยาติโยมลูกหลานอยู่ในความสงบคงไม่นานหลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรกล่าวสังเวทนิยคาถาให้คณะสัตยาธิโยมครูบาอาจารย์พระมหาเทระอนุเทระพระสงฆ์ที่มาร่วมงานก่อนอื่นกระผมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระมหาเถระที่มาร่วมงาน ตลอดถึงพระอนุเถระและก็พระน้องนุ่งทั้งหลายเนี่ยคือว่าน้องนุ่งก็คือผู้มีอายุพรรษาน้อยกว่าหลวงพ่อที่มาร่วม ง, งานให้ความใส่ใจแล้วว่ามาช่วยงานไม่รู้ว่ากี่แผนกแผนกน้ำแผนกไฟแผนกโรงทานแผนกต้อนรับแขกแผนกที่อยู่อาศัยมีหลายแผนก ล้วนแล้วแต่พระสงฆ์เป็นผู้นำเพราะนั้นในานามคณะญาติอย่างหลวงพ่อ เ, เป็นขนาดนี้ถ้าหากว่าเปรียบถ้าเรียงลําดับในสายโลหิตแล้วก็หลวงพ่อ เ, เป็นญาติผู้ใหญ่สุดในขณะนี้ทำไมจึงว่าใหญ่สดุดเพราะว่าหลวงปู่จาม เป็นน้องชายของโยมพ่อของหลวงพ่อเป็นคนที่สามแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยมีพี่น้องหลายคนแต่จากไปแล้วหลายคนยังเหลืออยู่พี่สาวของหลวงพ่อแต่ว่าถ้าหากเรียงลําดับถ้าญาติฝ่ายชายแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยเป็นใหญ่สุดในตระกูลก็นอกนั้นก็เป็นลูกของอาของน้าทั้งหลาย เราก็มีเยอะเพราะว่าตระกูลของหลวงปู่เป็นตระกูลลูกของคุณย่ามีหลายคนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองในถ้าเปรียบเทียบในสายโนหิตแล้วก็หลวงพ่อเป็นญาติผู้ใหญ่แต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ถือว่าเพราะหลวงปู่ท่านบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเราจะนับเนื่องกับเพียงแต่ว่าเราไปขอนับเนื่องเท่านั้นเอง แต่องค์ของท่านเป็นอิสระเป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นพระสาธารณะเป็นพระของลูกหลานทุกคนเป็นพระของทุกคนของภิกษุสัมมาเนนแต่นี่ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังก็คือว่าสายโนหิตคือเป็นเครือญาติเพราะนั้นหลวงพ่อเองในฐานะเครือญาติและก็พร้อมกันเป็นญาติธรรมของหลวงปู่ด้วย หลวงพ่อได้มาจําพรรษากับองค์หลวงปู่แล้วก็องค์หลวงปู่พาหลวงพ่อขึ้นไปทางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไปจําพรรษากับหลวงปู่แหวนสุจินโนก็คือหลวงปู่จามที่ท่านไปฝากกับหลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูปี 2,510 ลูกหลานบางคนก็ยังไม่เกิดเฉลยซ้ำไปมั้ง 2,510 นะ่างนั้นหลวงพ่อก็ได้อยู่ทางเชียงใหม่ ยิ่เมื่อท่านกลับลงมาจําพรรษาที่บ้านห้วยทรายหลวงพ่อก็ได้มาจําพรรษากับท่านแต่พอมาจำพรรษาผ่านไปแล้วหลวงพ่อก็ได้กราวหลวงอาเนี่ยหลวงปู่จามเป็นหลวงอาพ่อนักน้องชายพ่อใช่ไหมล่ะอ่าหลวงหลวงอาครับผมคงจะอยู่กับหลวงอานี้ไม่ได้เพราะว่าผมยังเป็นพระน้อยพระหนุ่มพรรษาเพียงสี่เท่านั้นเอง อายุเพียง24ปีถ้าว่าผมอยู่กับหลวงอาอชีวิตมันประชิดด้วยว่านักบวชของผมคงจะอยู่ไม่ได้นานเพราะว่ากิเลสทางคารวาดมันหลุมเล้าเข้ามาเรื่อยๆอผมข อ, อปีกไปหาวิเวทไปหาศึกษากับครูบาอาจารย์ทางอื่นหลวงอาจะอนุญาตไหมหลวงยาเออเอา ไปได้เพราะเหตุไรท่านจึงพูดง่ายๆเพราะว่าท่านก็เคยหนีจากบ้านเกิดของท่านตั้งแต่อายุพอบวชเสร็จแล้วปีนั้นท่านก็ขึ้นออกจากบ้านห้วยทรายไปเลยเมื่ออายุ29ปีแล้วก็ไปอยู่ทางจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลาถึง30สบกว่าปีจึงได้กลับมาเยี่ยมโย่แม่ของท่านนี่แหละใจของหลวงปู่จามไม่ใช่ธรรมดาแต่ม่ท่านใช่ใจดํานะ ใจของท่านเด็ดเดี่ยวเพราะทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าก่อนที่ท่านจะบวชท่านก็ตกลงกับโยมแม่ของท่านเพราะว่าโยมแม่ของท่านว่าถ้าหากว่าลูกจะแต่งงานแม่ก็จะดีใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าลูกบวชแม่จะดีใจกว่าเอาอย่างนั้นแล้วคุณแม่พอคุณแม่ของท่านเป็นแม่ชีชถ้าอย่างนั้นผมก็บวชให้ก็ได้คุณแม่ผมจะบวชเลย ตัดสินใจเลยนะแต่ตัดสินใจท่านก็ บ, บวชพ่อบวชแล้วก็แม่ท่านก็สั่งเสียอีกว่าคูบาไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะเพราะแม่มีลูกตั้งแปดเกคนลูกทั้ง8เข้าคนคงจะดูแลพ่อกับแม่ได้สำหรับคูบาเนี่ยฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนายังไงจะจะพ้นทุกพ้นกิเลสราคาโทสะโมหะขอให้ลูกไปได้ตามอัธยาศัยนิยมมารดาของท่านสั่ง หลวงปูป่ปจามท่านก็บอกว่านี่พี่น้องของท่านก็มากมีหลายคนทั้งหญิงทั้งชายท่านออกไปคนเดียวคงจะไม่มีอะไรเพราะท่านปีกตัวไปหาภาวนาแต่ส่วนพี่น้องอมีเลือกมีเลือกสวนไร่นาเลี้ยงดูแม่ดูแลคุณแม่คุณพ่ออยู่แล้วเพราะสมัยนั้นคุณพ่อและคุณแม่ของท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่นะจากนั้นองหลวงปู่จามท่านก็ เดินขึ้นไปจำพรรษาจังหวัดเพชรชบูรณ์ก่อนท่านพูดให้ฟังนะตามประวัติเคลื่อนไปทางจังหวัดเลยแล้วก็ขึ้นไปทางเพชรชบูรณ์ไปจำพรรษาที่หล่มเก่าจากนั้นท่านก็เดินนับทางรถไฟนับทางรถไฟขึ้นไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไปอยู่ทางเชียงใหม่เป็นเวลาทั้ง30กว่าปีอย่างที่หลงพ่อได้เรียนให้พวกเราท่านทันท้งหลายทราบจากนั้นเมื่อท่าน ทราบข่าวว่าโยมแม่ของท่านอายุป่าจะเข้า80ปีท่านก็ได้ลงมามาเยี่ยมแม่ของท่านพอมาเยี่ยมแม่ของท่านหลวงพ่อเองก็เป็นสมณเณรอยู่ที่วัดป่าปูเจ้ากกเป็นเนนของหลวงปู่ล่าจากนั้นหลวงปู่จามท่านก็บอกว่าหลวงปู่ล่ามีพระอยู่ด้วยสองสามองค์อขอเนนอินมาเป็นเพื่อนเพื่อไปเยี่ยมโยมแม่ของท่าน พรหลวงปู่จามมาอยู่ที่วัดป่าวิเวกพัฒนารามตรงนี้แหละพอตกตอนเย็นท่านก็เดินไปข้ามทุ่งนาไปข้ามไปหาโยมแม่ของท่านท่านก็ไปเทศนาว่าการให้โยมแม่ของท่านหลวงพ่อเองก็ติดตามไปทุกวันทือท่านมาแล้วก็กลับมาประมาณสองสามทุ่มแล้วก็พุ่งนีนเช้าฉันบินทบบาทตอนเย็นก็ไปเอกไปพูดแนะนํา โยมแม่ของท่านอายุมากแล้วนะจากท่านต่อมาก็ท่านก็เลยกลับขึ้นไปเชียงใหม่เพราะท่านมาชั่วคราวพอจับไปเชียงใหม่ญาติพี่น้องก็ขึ้นไปกรา บ, บราถนาท่านพอรู้จักที่ของท่านอยู่แล้วทีนีเนื้อน้องชายของท่านคือผู้ใหญ่จูงกับผู้ใหญ่ดอนขึ้นไปกรา บ, บราตนาท่านก็ลงมาลงมาจะเีกมาจาพรรษาดูแลโยมแม่หลวงพ่อเองก็เป็นพระเ ปี08ได้มาจําพรรษาปี09บารจําพรรษาอยู่ที่นี่นะกับองค์หลวงปู่จากนั้นท่านพอยมมารดาจากไปโยมมารดาของท่านมรณะลงไปท่านก็กลับไป ท, ทางเชียงใหม่หลวงพ่อก็ได้ติดตามท่านขึ้นไปทางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยจากนั้นท่านก็จําพรรษาที่วัดเจดีหลวงเพราะตามปกติหลวงปู่จะเป็นองค์แสดงธรรมในพรรษา ตอนเช้าจัตไายญาติโยมมาทําบุญท่านก็แสดงธรรมรอบหนึ่งแล้วก็ตอนบ่ายคณะจัตไทยญาติโยมมาฟังธรรมท่านก็แสดงอีกรอบหนึ่งพอตอนเย็นจัตไทยญาติโยมมาฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิท่านก็แสดงธรรมอีกรอบหนึ่ง เ, เป็นอันว่าท่านแสดงธรรมที่วัดเจดีย์หลวงทานในพรรษาทั้งวันละสามครั้ง อ, อันนี้ก็คือหลวงปู่ที่ท่านอยู่วัดเจดีย์หลวง จากนั้นพอหลวงพ่อขึ้นไปท่านว่าเออตุตุแปลว่าพระนะพระไปวันเนนนะภาษาเชียงใหม่นะแปลว่าพระน่ยไปวันเนนตุ้นี่แปลว่าพระนะเดี๋ยววันโตไปจำมัาสักะองค์หลวงปู่แหวนใช่ไหเพราะตุเป็นพระป่าอยู่ในป่ามาตลอดหลวงพ่อก็ข้าผมก้าผมอยู่ในเมืองคงจะไม่สะดวกไม่สับลายะเลยครับหลวงปู่มีคนมันพุน่นเพ่นพ่านพุ่นวายไปหมด ถ้ากระผมไปอยู่ในปา่าจะสะดวกกว่าจากนั้นหลวงปู่ท่านก็พานำหลวงพ่อกับคณะสัทยา ญ, ญาติโยมไปไว้ที่อาเภอพร้พาวจังหวัดเชียงใหม่ไปจำพรรษาปี 2,510 เป็นจำพรรษาที่เชียงใหม่ไปจำพรรษากับหลวงปู่แหวนพอออกพรรษาแล้วหลวงอาก็ไปรับจากอาเภอพร้พาว ลงมาอยู่ที่บ้านชอแหลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็มาอยู่ที่นั่นจากนั้นก็มีหลานเลือน้องของหลวงพ่ออีกองหนึง่งไปอยู่กับท่านของหลวงพ่อในโอกาสได้จังหวะหลวงพ่อกลับลาห ล, ลงอาเข้าไปเที่ยวกรงุงเทพดอยเสียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะเข้าไปติดแดนพมา่าไปอยู่หลายเดือนนี่แหละ หลวงพ่อเห็นไปอยู่ทางเชียงใหม่ก็ติดใจในอากาศเอองียบสงบดออีแล้วก็พี่น้องประชาชนก็นับถือเลื่อมใสพระพุทธศาสนาอย่างดีเยีย่ยมไปที่ไหนมิแต่มิแต่มีมีแต่คณะสัตยา ญ, ญาติโยมรักเคารพนับถื อ, อ, อไปอยู่ที่ไหนสบปลายยะจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อเองก็ชอบที่จะอยู่ทางจังหวัดเชียงใหม่พอถึงเดือนพฤษภา ผู้ใหญ่ทางมุกดาหารญาติก็เคลืนไปตามอีกบอกว่าบ้านห้วยสายไม่มีพระก็ข อ, อนีมณลท่านอาจารย์กลับลงไปจำพรรษาทางจังหวัดมุกดาหารที่บ้านห้วยสายอีกโดยเทินเพราะไม่มีพระแต่ดูดูแล้วหลวงปู่สมัยนั้นก็อายุของท่านกว่าหกสกว่าปีนะลูกหลานนะ คณะสัตา ย, ยาญาติโยมนะหลวงปูขนะ่ข้านั้นที่รถท่านลงมาเนี่ยหกสกว่าปีเกือบจะเข้า70นีอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยหกกว่าปีหลวงพ่อเนี่ย ก, กว่าหกปีนะคณะสัตา ย, ยาญาติโยมนะเดี๋ยวนี้นะเดือนเมษาเนี่ก็ว่า69าปีเต็มย่างเข้า70็ดสิบแล้วนะหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่จามในช่วงนั้นก็อายุก็คุณจะเล่าราวหลวงพ่อเดี๋ยวนี้แหละนะ ท่านยังช่วยตนเองได้ไปมาหาสู่ได้แต่ก็ทําเป็นพระผู้ใหญ่เจากนั้นท่านก็มาจำพรรษานี้โดยตลอดออแล้วก็ตลอดมาแล้วก็นี่แหละความเป็นมาของออวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ห, รหลวงปู่จามแต่ว่าก่อนหน้านี้วัดป่าวิเวกวัฒนารามเนี่ยเป็นของไทยก็เป็นของเป็นของหลวงพ่อบัญชีชื่ออย่างนั้นนะแต่ท่านก็ไม่ได้อยู่เป็นหลักแหล่ง ต่อมาหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาณนะวัดนี้เป็นวัดหลวงตาวัดวัดป่าบ้านตาที่มาวางหลักฐานคือหลวงตามหาบัวเมื่อหลวงปู่มั่นบรณภาพปี2492ได้ไปชมเพลิงปี2493หลวงตามหาบัวเมื่อประชุมเพลิงหลวงปู่มั่นที่วัดป่าสุทธาวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงตาได้ไปจํากลับไปจําบัญษา ที่บ้านน้องผือที่วัดหลวงปู่มั่นเก่าอําเภอพณานิคมที่ได้นํำองหลวงปู่มั่นออกจากบ้านน้องผือนาในอําเภอพา น, านิคมจังหวัดสกลนครพอออกมาแล้วเมื่อไปชมเพิงหลวงปู่มั่นที่วัดสุทธาวาสทางบ้านน้องผือเขาก็วิตกว้าเหว่งอ้างว้างเพราะเหตุไรเพราะหลวงปู่มั่นกับคณะสงฆ์อยู่ที่วัด บ้านของเขาวัดป่าบ้านน้องผือนาในาเป็นเวลาหลายปีได้รับความอบอุ่นอย่างมากแต่ทีนี้พอหลวงปู่มั่นออกมาแล้วพระสงฆ์ก็กระจุยกระจายกันไม่ได้กลับไปจำพรรษาที่น้องผือนาในาหลวงตาท่านมีความเคารพมีความเห็นน้ำใจของพี่น้องประชาชนบ้านน้องผือนาในาหลวงตาก็ กลับไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านนงผือนาไนาปี2493พอออกพรรษาแล้วนานพอสมควรเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้ไปลีกตัวออกมาวิเวกออกวิเวกมากับเที่ยวตามหลังเขาภูพานในระหว่างกรสินกับสกล น, นครจากนัานท่านก็เด้ลงมาจำพรรษาที่วัดป่าวิเวกวัฒนารามปี2400 ของพันสีาันพรรษาอยู่ที่นี่ติดต่อกันจนถึงปี 2,497 ด้ผ่าน 2,498 ั่อหลวงตามหาบัวท่านก็ได้นำคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําที่เป็นแม่ชีท่านบอกว่าโยมแม่ของหลวงตาถ้าหากว่าท่านไปแสดงธรรมไปเทศให้ฟังก็คงจะไม่เข้าใจเข้าใจกันได้ยาก ควรจะเอาเอาแม่ชีเป็นนกต่อไปเทศศานาว่าการให้โยมมารดาของท่านท่านจะได้นำแม่ชีแก้วกับคณะไปแม่ชีไปสามสี่คน อ, ออกจากวัดป่าวิเวกวัฒนารามเป็นอันว่าหลวงตามหาบัวจำพรรษาอยู่ที่นี่สี่ปีนะแต่เล่าเล่าไปที่สี่ทห้าปีหลวงพ่อก็ยังไม่ชัดเจนนะอยู่ที่วัดป่าวิเวกวัฒนารามแห่งนี้จากนั้นท่านก็ ได้นําคุณแม่ชีขึ้นไปก็ไปอบรมพอคุณแม่แก้วไปพูดให้โยมบรรดาของท่านฟังท่านก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสเข้าใจท่านก็ได้บวชโยมบรรดาของท่านก็ได้บวชพอบวชเสร็จแล้วหลงตาท่านก็พาแม่ของท่านลงไปจาพรรษาที่สถานีทดลองจังหวัดจันทบุรี พอไปจําพรรษาที่โน่นพรรษาหนึ่งทางหลวงปู่สิงทองด้วยหลวงปูล่ลีแต่หลวงปูล่ลีไม่สบายได้กลับขึ้นมาแล้วก็มีหลวงปู่เพียนหลวงปู่เพ่งในถ้ำกองเ พ, งจพนจําพรรษาอยู่ที่วัดสถานีทดลองพระหลายรูปจําพรรษาที่จังหวัดจันทบุรีพอออกพรรษาแล้วโยมบรรดาของหลวงตาเนี่ยท่านก็บอกว่าอยู่ไม่ได้เนาะไม่ได้กินข้าวเหนียว ทานแต่ข้าวสวยอาหารก็แตกต่างกันแม่ถ้าแม่จะกลับไปบ้านแล้วนะทานลูกไปกลับถ้าลูกไม่กลั บ, ลมลบแม่ก็จะกลับละหลวงตามหาบัว ท, ทำยังไงได้เพราะเหตุว่าพอได้เอาแม่บวชแล้วท่านก็เลยพาแม่กลับมาพอแม่กลับมาก็บอกว่าแม่จะอยู่ที่บ้านนะถนาลูกจะไปที่ไหนก็ไปแตถ้าแม่ถ้าลูกไปแม่ก็จะเสื่อละ เพราะนั้นจึงเกิดวัดป่าบ้านตาดขึ้นมาปี2499นี่แหละความเป็นมาของวัดวาศาสานาครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวให้ฟังคณะศรัท ธ, ธาญาติโยมก็คงจะความเป็นมาและความเป็นไปอย่างไรวัดป่าวิเวกวัฒนารามแห่งนี้ก็เป็นองค์หลวงตาที่ท่านได้เคยมาอยู่จากนั้นองค์หลวงปู่จามของเราก็มาอยู่ นานหลายปีอายุของหลวงปู่ของเราก็ร้อยกว่าปีท่านประกอบแต่คุณงามความดีท่านย อ, อยู่แบบส ม, มัทธะอยู่แบบเรียบง่ายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นชันแบบเรียบง่ายในกุฏิของท่านขึ้นไปกราบดูสิก็มีแต่พระพุทธรูปที่เตียงของท่านจากนั้นท่านก็ไหวพ้พระแต่การประกอบคุณงามความดีของท่านการนั่งภาวนาของท่าน เดินจงกรมของท่านขณะที่ท่านเดินจงกรมเดินรอบพระเจดีย์ของท่านท่านเดินเสร็จแล้วท่านบอกว่าวันนี้เดินสามพันเท่านนับขนาดเก้าเดินของท่านนะท่านไปที่ไหนท่านก็นับนี่แหละหลวงปู่จามของเราหลวงปู่ของเราเป็นพระมหาเถระที่มักน้อยสันโดษเป็นผู้เรียบง่ายเพราะนั้นหลวงพ่อเองในฐานะหลานของท่าน ه, ก็ยึดแนวแถวของท่านท่านก็สอนนะสอนหลวงพ่อนะอสอนหลวงพ่อหลวงพ่อว่าโตโตุแปลว่าพระใช่ไหมเพราะท่านไปอยู่ทางภาคเหนือนานท่านก็ติดนิสัยแต่ท่านเรียกพระเนี่ยวันเรียกโตโต๊นะต เ, เราเกิดมาในชาตินี้นะ เ, เราเป็นลูกชาวนาท่านบอกนะเราเป็นลูกชาวนาอย่าลืมตัวต้องตั้งอกตั้งใจ สั่งสมคุณงามความดีถ้าหากว่าเราเป็นลูกเศรษฐีลูกกษัตริย์เราจะสร้างอะไรเราก็สร้างได้เราจะสร้างโบสถ์วิหารจะทำอะไรก็ทำได้เพราะเหตุไรเพราะเรารวยแต่นี้เราเป็นลูกชาวนาเราต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ต้องตั้งใจภาวนาสั่งสมคุณงามความดีมีเยอะแยะไปไม่ใช่แต่การก่อสร้างนะไม่ใช่จะหาด้านวัตถุน ะ, ะให้ภาวนานะ เรื่องภาวนานั่นแหละสําคัญรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั่นแหละสําคัญไม่ต้องคิดอย่างอื่นเนเมื่อเราเพ้นทุกข์แล้วก็กจบไปถ้าเรายังไม่พ้นทุกข์เกิดพบหน้าชาติหน้าเราได้เป็นเศรษฐีเพราะเราสั่งสมขุนงามความดีเพราะเราได้รักษาศีลสีเลนะสุขติงยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะศีลสีเลนะโพก็สัมปทา ผู้รักษาศีลจะร่ำรวยต่อไปในภพหน้าชาติหน้าศีเลนะนิพุติงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้พเพราะศีลเพราะฉนั้นเราให้รักษาศีลภาวนาให้มากถ้ายังไม่พ้นทุกในภพนี้ชาตินี้เกิดภพหน้าชาติหน้าเราก็จะได้เป็นเศรษฐีเป็นกษัตริย์เพื่นคนมีฐานะเพราะอันนิสงส์ศีลอันนิสงทานอันนิสง์คุณงามความดีเราเลือกเกิดได้ เราจะเกิดในสกุลไหนเราไปเลือกเกิดได้พอตายแล้วไม่ศูนย์ญนะ ล, งลงตาท่านลงปู่ท่านบอกอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะเราอยากจะสร้างอะไรเราจะทําบุญเรื่องอะไรเกี่ยวกับวัตถุเราทําได้อย่างเราเนี่ยเกิดมาพบชาติที่แล้วนี่มากมายมหาศาลเป็นเศษกษัตริรยเเ์เราก็เคยเป็นเศรษฐีเราก็เคยเป็นแต่บัดนี้เรามาเกิดเป็นชาวนาเราจะไม่ทําอะไร เราจะภาวนาเราจะเดินจงกรมเราจะปฏิบัติธรรมให้สมควรกับธรรมถ้าเรามีพบมีชาติไปอีกแล้วเราจะทำอะไรเราค่อยทำนี่แหละท่านสอนถ้าหากว่าพวกเราเกิดมาเป็นชาวนาเราก็เสือกระสนไปหาแผลหาขอไปหาขอคนน่นเรี่ยไรคนนี้มาสร้างอันนั้นแปลว่าไม่ใช่ฐานะแต่พอเกิดเป็นเศรษฐีเกิดเป็นผู้ร่ารวย เราก็ลืมตัวกินเหล้าเมายาเที่ยวเสียมะเลเทเมาเอาบายยมุกทุกอย่างเราก็ประกอบ เ, อเมื่อลุกรวยขึ้นมาเราก็ทําอีกอย่างหนึ่งเมื่อจนขึ้นมาเราประทาอีกอย่างหนึ่งครับอันนั้นวิญญาณโง่ฮะหลวงปู่ท่านว่านะวิญญาณโง่ไปเกิดที่ไหนก็โง่กว่านั้นขอฟังวันนะี้คณะศรัทธา ย, ย่าจโยมลูกหลานนี่แหละหลวงปู่จามท่านสอนหลวงพ่อนะ่ะสอนหลานของท่านน ะ, เ, ะเพราะว่าสอนให้ ฟังให้ถึงใจให้หลวงพ่อฟังแล้วยังจําไม่ลืงไปทั้งเดี่ยวนี้โอ้หลวงหลวงอาเราพูดถูกถูกจริงเรายอมรับนี่แหละแต่เนี้มาถึงคุณแม่ชีแก้วคุณแม่ชีแก้วท่านก็บอกว่าโลกในโลกหาได้นะคูบาตรโลกในโลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกใส่ตัวเองก็ได้หาสวรรค์ใส่ตนเองก็ได้เราจะหาอะไรมาใส่ตนเอง หาแต่คุณงามความดีนะอย่าไปหาสิ่งที่มันชั่วนะเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนไปในทางที่ดีเราควรจะเป็นคนที่ดีคิดดีทำดีพูดดีนั่นลนะเลิศประเสริฐเนะเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตยาติโยมทุกหมู่ทุกเหลา่าเนะื้อและก็พร้อมการหลวงพ่อขอขอพระคุณอย่างยิ่งในสวนราชการไม่ว่า มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าหน่วยราชการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าที่ให้ความอนุเคราะห์ในเต็มมาความในความช่วยเหลือในงานศพเรืองานสรีละขององค์หลวงปู่ตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าโรงทานทุกโรงทานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องถวายสิ่งของในงานในศพขององค์หลวงปู่หลวงพ่อขอขอบคุณขอบคุณกับ ที่น้องไปชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าครูบาอาจารย์ทุกหมู่ทุกเหล่าแต่ต่อเ น, นื่องไปกระผมเองอาจจะไม่ไดพูดหรืออัตมาเองจะไม่ได้กล่าวอย่างวันนี้เพราะต่อไปยังไม่แน่เพราะพิธีกรรมของเราก็าคงจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระมากมายที่จะขึ้นเป็นองค์แสดงธรรมเพราะฉะนั้นกระผมเองในฐานะเครือญาติหรือญาติธรรมขององค์หลวงปู่กระผมขอขอบ บูญขอบคุณกับครูบาอาจารย์จับคัศสัตยาติโยอมทุกหมู่เหล่าแต่งานทุกอย่างก็ต้องมีเรื่องขาดตกบกพร่องหรือว่าการกระทบกระแทกกระทั่งหรือความพอใจไม่พอใจก็คงจะเกิดขึ้นคงมีอยู่ในงานทุกงานสิ่งนั้นถ้ามันมีสิ่งไหนก็ตามที่ขาดตกบกพร่องสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นธรรมหรือทําให้ทุกคนไม่สบายใจกระผม ในนามของเขือญาติทุกคนขอขกราบขออภัยจากทุกๆุ ท, กท่านที่ไม่สบายใจในงานของหลวงปู่แต่ว่าเจตนาของกระผมเองเจตนาของเขือญาติกระผมก็มั่นใจว่าเป็นเจตนาที่อยากจะให้หลวงปู่เป็นผู้มีสังหาราศีหรือว่าศักดิ์ศรี พวกเราในฐานะเครือญาติอยากจะให้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดเหมาะสมที่สุดเข้ามาที่สุดคำนี้ก็คงจะอยู่กับในใจของพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นสิทิญาติสิทธิ์ของหลวงปู่คงจะไม่ใช่แต่หลวงพ่อองค์เดียวเพราะท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข อ, ข อ, ขอให้ฝากไว้กับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าขอให้ปฏิบัติ การปฏิบัติสร้างบุญสร้างกุศลกระองหลวงปู่แล้วก็ขอย้ำเตือนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เข้ามาในงานของหลวงปู่หลวงพ่อเคยย้ำมาหลายครั้งแต่กดที่จะย้ำอีกไม่ได้เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่ของเราทั้งไหว้พระทั้งสวดมนต์ทั้งภาวนาทั้งแผ่เมตตาแต่ละวี่แต่ละวัน ในแผ่นดินจุดนี้เพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ามาในแผ่นดินจุดนี้ก็ขอให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีใ ห, ให้คิดให้ทำให้พูดแต่สิ่งที่ดเีเมื่อเรามาอยู่ณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้บุญกุศลจะทวีคูณเพราะเราทาถูกต้องแต่ถ้าเราทาไม่ถูกต้อง คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วในที่ดินแห่งนี้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พวกเราจะความหายนะจะเข้ามาอยู่ใกล้พวกท่านพวกท่านเกิดพบหน้าชาติหน้าก็จะได้รับกรรมหนักเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนคือมาอยู่ในสะถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ถ้าหาว่าเห็นของเป็นวิทยุโทรทัศน์วิทยุนาฬิกานาฬิกาสิ่งของของใครก็ตาม ที่มันตกหล่นเราก็ไม่ควรจะหยิบควรจะเอามาประ ก, กาศหาเจ้าของเขาเมื่อเขาของเขาหายเขาก็คงเสียดายของเขาพวกเราไปเข้ามาขาโมยในจุดนี้สถานที่แห่งนี้จะเป็นพระสงฆ์ก็ตามจะเป็นคณะสัตญาติโยมก็ตามมาทำความชั่วในจุดในสถานที่แห่งนี้จะเป็นบาปอกุศลติดภพติดชาตินะลูกหลานสานาตัตยาฏโยมและก็พร้อมกันเมื่อเราเข้ามาณนะสถานที่นี้ เราเข้ามาเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงปู่ทุกอย่างเราถือว่าเป็นเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นหลานเป็นเหรนของหลวงปู่สิ่งไหนที่พวกเราเห็นว่าไม่ดี เ, เห็นขยะขวดน้าแก้วน้ำกระดาษที่มันตกหล่นในพื้นดินเราก็ถือว่าเราเก็บความสะอาดเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่ในเมื่อเราเข้าไปในห้องน้ำเห็นห้องน้ำส ก, กรปรก เราก็ล้างห้องน้าเราห้องล้างห้องน้ำเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่นี่ทุกคนขอให้คิดอย่างที่หลวงพ่อได้คิดไม่ใช่ว่าเรามาทำสกรปรกรกกรุงรังกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ของหลวงปู่จะเป็นผลเป็นผลทางไม่ดีถ้าพวกเราคิดแต่ทำความสะอาดหรือว่าคิดจะช่วยหลวงปู่ในฐานะของลูกหลานของเราถึงเราจะแต่งตัวหรูหราโอ้อา สวยงามใส่เครื่องประดับอารามด้วยเพชรนินกินดาก็เถอะถ้าไปเห็นห้องน้าโสกปลกเราก็ล้างห้องน้าได้เพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่อย่างหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อเข้าไปในห้องน้าไหนพอไปเห็นห้องน้าโสกปลกหลวงพ่อจะต้องล้างซะก่อนก่อนจะออกมาเราไม่ได้ทำเพื่อใครเราทำเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่เพราะนั้นขอให้พวกเรามารสฐานที่นี่นะะขอให้บูชาพระคุณองค์หลวงปู่อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว ก็จะเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับชีวิตของพวกเรานานเท่านานเรานึกคิดขึ้นมาเมื่อไหรใจของเราก็จะเบิกบานมีความสุขใจลึกๆเพราะเหตุอะไรเพราะเรามานัตสถานที่แห่งนี้นานทีทั้งชีวิตของพวกเราพวกเราได้ประกอบแต่คุณงามความดีเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับคณะทาญาติโยงทุกหมูเ่เหล่าและอีกไม่นานพวกเราก็คงจะกล่าวคําคารวะองหลวงปู่ชะก่อน ก้าวคำคารวะความหมายก็คือว่ามห้าเทเรปรมาเทนะทวาและแตเยนะขะต่างสัพังอ ป, ปลาทังข้ามาุโนพันเตข้าพรเจ้าทั้งหลายได้ประมาทาพลาดพังองค์หลวงปู่ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งอดีตที่ผ่านมาทั้งจนถึงปัจจุบันที่ล่วงรับที่หลวงปู่ล่วงรับดับขันไปได้ประมาทาพลาดพังด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ขอหลวงปูป่โปรดอโหสิกรรมให้แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทินจากนั้นเราก็กล่าวถึงสาครั้งแล้วก็เตาตั้งจิตอธิษฐาน เ, เรามาอยู่เรามาประกอบคุณงามความดีณนะสถานที่แห่งนี้เรามาทำํำบูชาพระคุณหลวงปู่ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของพวกเราเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเราปรารถนาอะไรมนุษย์สมบัตินิพพานสมบัติ หรือว่าพบนี้ชาตินี้เรามีอุปสรรคนานับประการที่ทุกคนมีปัญหาไม่เหมือนกันเราขอให้ปัญหาที่มันมีอย่นั้นขอให้เบาบางหรือว่าให้หลุดไปขอให้เข้าไปเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญทางทางโลกและทางธรรมอันนี้คือเราตั้งความปรารถนาในใจอย่างนั้นเราก็กราเพรากระเสร็จแล้วก็ห ล, ล, ลวลงพ่อเองก็อยากอันดับแรกก็อยากให้ คณะสงฆ์วัดป่าวิเวกวัฒนารามหรือเครือข่ายสาขาในละแวกนี้ละ่ะเข้าไปจัดการแล้วก็เข้าไปดูแลสรีละของหลวงปู่เอาออกมาจากตู้เย็นหีบเย็นจากนั้นก็เอามาขึ้นมวลดบเพื่อจะได้หามให้พระสงฆ์ทั้งหลายจัดการในจุดนี้เมื่อจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นท่านก็คงจะมีทาหารนะ ทหารที่เตรียมไปแล้วก็เป็นคู่แบกถามจากนั้นพระสงฆ์พระมหาเถระผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษาเดินนําหน้าแล้วก็พระที่มีอายุพรรษาที่เดินไม่ไหวเลย อ, อยู่ๆข้างๆก็ให้ยืนปนมมือถ้าเราเดินมากๆก็คงไม่ไหวกะว่าประมาณสักร้อยส0งที่เดินนําหน้าขนาด จ, จะพอแต่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ก็ น, นั่งปนมมืออยู่ข้างจะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่จะเป็นผู้ว่าราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือว่าญาติผู้ใหญ่ก็เดินตามหลังตามหลังขีบสรีระของหลวงปู่เมื่อพวกเราปรนมมืออยู่ในในระหว่างทางออกประตูไปถึงทางหลวงทางหลวงใหญ่แล้วพวกเราจะเดินลัดไปคอยรับทางนู้นอีกก็ได้เดินไปคอยรับที่เมนที่เราจะเดินไปทางนู้นอีกเรียงแถวตั้งขบวนรับที่นู้นอีก ก่อนที่หลวงปู่จะเดินผ่านเข้ามาในเมนนกหัดจดีลิงจากนั้นก็เวียนประทักศิลปสามรอบจากนั้นก็จะได้นำสรีละของหลวงปู่ขึ้นบงจุบรรจุลงในเมนจากนั้นก็คงจะปิดเมนนกหัสจดีลิงก็คงจะครอบอยู่อย่างนั้นแล้วก็วันที่สและก็วันที่5ก็เป็นวันพระราชทานเพลิงสรีละของหลวงปู่ แต่ถึงยังไงก็ขอให้พี่น้องประชาชนจัดทายาติโยมพวกหมเหล่าขอให้ดูอยู่ครบถึงวันที่หนะ้าพวกเราจะได้กราบได้วาได้เห็นเพราะองหลงปู่ในชีวิตของพวกเราหลงพงจะไม่ได้เผาประชุมเพลิงหรือพระราชทานเพลิงหลวงปู่เป็นครั้งที่สองเพียงครั้งเดียวเท่านี้ถึงจะยากลำบากยังไงทางบ้านก็ง ด, งดไดกอดก็ได้นะ ทำกิจกรรมนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปจะเป็นบุญเป็นกุศลประทับอยู่ในใจิตในใจของพี่น้องประชาชนนานเท่านานทีเดียวนะหลวงพ่อว่านะการกล่าวสังเวทเร่อนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนัตไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอนุภาพของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อนุภาพหลวงปู่ จามของพวกเราที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยดีทั้งอดีตถึงทั้งปัจจุบันบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลขอให้คุ้มครองลูกหลานญาติพี่น้องขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปรารถนาสิงา่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆ ท, ท่านด้วยเธิน